ยมเรียนเยอะหลวงพ่อตรวจการบ้านได้ไม่หมดสักวันถ้าเป็นครูนะถูกเขาไล่ออกแล้วตรวจการบ้านเด็กไม่ได้ตรวจได้ไม่หมดแต่ไม่มีครูบาอาจารย์องไหนตรวจการบ้านเยอะเท่าหลวงพ่อหลวงพ่อกล้ายืนยันเลยอยู่ครูบาอาจารย์มาสักเยอะแยะไม่ไม่มีย่อนนี้วันหนึ่งวันหนึ่ ง, น ห, นงหาคนไปเรียนกรรมฐานสักคนหนึ่งยังยากเลยคนส่วนมากเข้าวัดก็ไปทําบุญ ที่พวกเรามาแล้วเราเรียนกรรมฐานกันจริงจังนะนะแล้วก็มุ่งไปสู่มาผลนิพพานจริงๆเป็นปรากฏการใหม่นะสมัยก่อนไม่ค่อยมีหรอกก็ทำไปตามประเพณีทุกวันนี้เราภาวนาดีกันเยอะเลยจิตใจสว่างสวยขึ้นมาเรื่อยๆภาวนาตอนที่กาลังเผลอนั่นะดีที่สุดเลยเผลอแล้วรู้สึกนะดีที่สุดเลยตรงที่พยายามรักษาประคับประคองงั้นงั้นไม่ดี หลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่เด็กๆนะหัดมาเรื่อยๆเสียเวลาทำสมถะอยู่ยี่สิบสองปีรู้ว่ามันไม่ใช่ทางหรอกการดัดแปลงตัวเองจะดัดแปลงกายหรือดัดแปลงใจมันก็ไม่ใช่ทางเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อเจอหลวงปู่ดูลมาฝึกเอาเอาภาวนามาเรื่อยๆนะก็มีความเข้าใจธรรมะเป็นลาดับดบมาความทุกข์ก็ลดลงไปเรื่อยๆเสร็จแล้วพอ เราเห็นธรรมะเนยโอ้มันประณีตลึกซึ้งเหลือเกินถ้าไม่ช่วยกันประกาศเอาไว้นะเดี๋ยวมันหายไปนี่หลวงพ่อเลยพยายามเทศเทศทุกวันเมื่อวานก็มีคนมาบอกว่าครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเป็นห่วงมาหลวลงพ่อสอนหนักเหลือเกินให้เพลาๆพ่าบ้างให้พักทีละเจ็ดวันเจ็ดวันหลายๆการเราเต็มไปถึงปีนู้นแล้วนะตลอดปีหน้าก็เต็มไปหมดแล้ว อันอยากให้พักเยอะเะแต่ว่าหลังๆเนี่ยหลวงพ่อสอนธรรมะแบบสบายๆนะสบายขึ้นตั้งแต่พฤศจิกายนปีกลายพฤศจิกายนปีกลายเนี่ยเริ่มสอนเรื่องอริยสัจพวกเราเริ่มรับได้ละเริ่มจะฟังรู้เรื่องก่อนนั้นนั้นรอเวลาว่าเมื่อไหรจะได้พูดเรื่องอริยสัจให้พวกเราฟังอริยสัจเป็นธรรมที่สําคัญที่สุดเลยถ้าไม่มีอริยสัจก็คือไม่มีศาสนาพุทธนั่นแหละ ใครๆก็คิดว่ารู้อริยสัจความจริงไม่รู้หรอกไม่รู้จริงหรอกใครจะรู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่มีหรอกอย่างมากก็รู้สึกกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกแค่นี้นี้พวกเราฟังทรมานะเราภาวนาเราค่อยๆพัฒนาจิตใจให้มาเรื่อยๆเชิญหลวงพ่อสามารถเทศเรื่องอริยสัจได้เวลาจะแสดงธรรมเนี่ยไม่ได้มีโผะ จิตใจคนฟังมีคุณภาพขนาดไหนก็แสดงทำได้ขนาดนั้นพอเทศอริย า, าศาสตร์เสร็จแล้วรู้สึกถึงหลัาตายก็ไม่ไม่เป็นห่วงหรอกนะาศาสนานะั้นก็มีคนรักษาสืบทอดได้อย่างน้อยก็ทิ้งร่องรอยไว้ให้ทุกวันนี้ไม่ได้หวังอะไรจากญาติโยมนะอยากให้เรียนรู้ไปรู้ไปภาวนาทำไปเพื่อแทนคุณพระพุทธเจ้ า, าหลวงพ่อได้ประโยชน์จากธรรมะของท่านมีความสุขเยอะอยากให้พวกเราได้รู้บ้าง การที่พยายามฝนไว้เทศแล้วเทศอีกสอนแล้วสอนอีกจ้ำจี้จ้ำชัยนะบางทีถึงขนาดดุด่ า, าว่ากล่าวเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยทำไปทั้งหมดนี้โดยบังจดบูชาพระพุทธเจ้าแทนคุณท่านพวกเราก็เหมือนกันนะเรียนจากหลวงพ่อแล้วไม่ใช่จะต้องมาผูกพันอะไรหลวงพ่อหรอกไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาให้อะไรหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่ได้กินได้นะทำสมธรรมดาทุกวันนี้หลวงพ่อก็ฉันบินทบาท น, นะ ให้ครูบาาเป็นคนตักให้เขาก็ได้อาหารอะไรมันก็ฉันอย่างเงี้ยเสื้อผ้านะคนเอามาให้หลวงพ่อเยอะแยะจีวงจีวรปีปีหนึ่งไม่รู้ต้องเท่าไหร่ร่วมหลายแสนร่วมล้านเลยบางปีราคามากมายหลวงพ่อส่งไปทางอีสานเอาของเครื่องใช้อะไรเรามาให้เราจะใช้อะไรนักหนานะ่ะหลวงพ่อก็ส่งไปช่วยทางอีสานวัดที่ขาดแคลนอะไรที่จังหวัดสุรินทร์นียจนมาก เจ้าคณะจังหวัดถึงก็บอกเลยตอนนี้พระทั้งจังหวัดสุรินทร์น่าใช้จีวรของท่านประโมด น, นี่แหละส่งไปให้นะส่งอาหารส่งยาส่งอะไรปัจเจียดีอย่างจีวรของหลวงพ่อชุดหนึ่งใช้ได้ตั้งสามสี่ปีใช่ไหมไม่ได้ใช้สิ้นเปลืองอะไรเพรานพวกเรามาเรียนนะหลวงพ่อไม่เคยเรียกอะไรทําบุญก็ได้ไม่ทําก็ได้นะทำก็มาสร้างโน่นทํำนี่นทําบุญต่อไปบ้างอะไรบ้าง โดยส่วนตัวของหลวงพ่อหลวงพ่อก็สบายของหลวงพ่อทนั้นแหละนี่ทําทุกอย่างนั้นก็เพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้นะเรียนรู้ไปเข้าใจขึ้นมาแล้วเรามีความสุขเรามีความสุขแล้วเราจะได้มั่นใจในพระศาสนาพระพุทธเจ้าสอนของจริงนะธรรมะมีจริงนะพระสงฆ์มีจริงนะเข้าใจเราจะเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาเราจะไม่ลังเลสงสัยเราจะประกาศธรรมะด้วยความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญนะไม่หวั่นไหวเลยไม่ได้ทําเพื่อเอาอะไรละนะ ทำเพื่อสงเคราะห์โลกช่วยๆกันนะเราะนั้นทุกคนมีความสําคัญหลวงพ่อประครบสงบพวกเราจนขนาดลูกศิษย์หลวงปู่ดูลรุ่นพี่หลวงพ่อนะั้นบอกให้หลวงพ่อเพลาๆหน่อยทอดทิ้งโยมซะบ้างเทอะโยมมันฟังไปอย่างนั้นมันไม่ค่อยทำหรอก น, นี่ประโยชน์เด็ดของท่านนะเอาแต่ฟังไม่ค่อยปฏิบัติหรอกเหนื่อยหลวงพ่อว่าคนที่ปฏิบัติก็เยอะนะแล้วคนที่ได้ผลก็มีมเป็นลําดับลําดับอนะไรเงี้ย ถึงยอมไปก็เหนื่อยนะสอนเท่าที่สอนได้คนเราจะอยู่ได้สักกี่ปีหลวงพ่อก็แก่แล้วเริ่มเหี่ยวแล้วเนี่ยเชา้ชาเช้านั่งมองหนังตามมือตามไม้นี่ชา้าเหี่ยวแล้วจะอยู่ได้สักเท่าไหร่กันแต่อย่างน้อยเราฝากทำบ้านเอาไว้ในหะ้แล้วทำหนังสือไว้ให้ทําซีดีไว้ให้อะไรเยอะแยะเอาไว้เรียนนะไศึกษาสิ่งที่สอนไว้แล้วเนี่ยเหลือเฟือเลยจะบอกให้ว่าเหลือเฟือเลย เพียงซีดีแผ่นใดแผ่นหนึ่งตั้งแต่แผ่นที่เจ็ดขึ้นมาเพียงพอแล้วแค่แผ่นเดียวก็พอแล้วที่จะทำตัวเองให้ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นฝึกเอานะฝึกเอาต่อไปตรวจกันบ้านใครอยากส่งก็ส่งนะใครไม่อยากส่งก็ไม่ต้องส่งอันนี้หมายถึงพวกอยู่วัดส่วนคนที่ไม่ได้อยู่วัดไม่จำเป็นก็อย่าส่งเลยทุกๆคนแหละเห็นใจคนอื่นบ้างบางคนถามแล้วถามอีกนะถาม ไม่มีอะไรหรอกถามเล่นหลวงพ่อรู้ไม่ใช่ไม่รู้หรอกแต่ถ้ามีข้อติดขัดจริงๆนะก็ถามยกมือนะเอาให้สิทธิ์คนอยู่วัดก่อนเชิญช่วงนี้ก็มันเหมือนกับว่า ก, ก็แค่ว่ามีสติหรือว่าบางทีก็เผลอแต่ว่าจิตเป็นกลางไหมไม่เป็นกลางอนั่นแหละตัวสำคัญนะไปดูตัวนั้นแหล ะ, อะพอพอมาอยู่วัดรู้สึกจิตมันตั้งมั่นขึ้นนะครับก็พอมีสติ แต่รู้สึกปัญญามันยังไม่ค่อยเกิดครับปัญญาเกิดจากจิตที่ตั้งมัน่นนะจิตของปอยังไม่ตั้งถึงฐานดูออกไหมครับถ้าจิตไม่ถึงฐานปัญญาไม่เกิดออกนั่นสัมมาส ม, มาธิถึงเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาไปดวเใจไม่ตั้งมัน่นรู้ว่าไม่ตั้งมัน่นจบละก็ไม่รู้ที่ทํามามันถูกหรือเปล่านะครับคือปกติไม่เคยฝึกไม่เคยฝึกอะไรมาก่อนนะครับแต่มาที่นี่เมื่อคืนนี้ก็ลองเดินจงกรมดูคิดว่าเป็นเดินจงกรมอะไรก็คือเดินตามสบายอก็รู้สึก เหมือนกับเราเดินเปไปเปมา <C ark> ก็เลยรู้สึกเอ๊ะว่าจริงๆแล้วเ <c oughs> วลาเราเดินปกติเราก็ไม่ได้เป๋ไปเปมา <C ark> ก็เลยลองดูตัวเองแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารู้อะไรหรือเปล่าดูไปเรืยนะรู้สึกกายรู้สึกใจอ่าใจลอยรู้จักใจลอยไหมไม่แน่ใจครับ <S <S เผลอไปคิดนะเวลาเราเผลอเ น, นี่ยตอนเนี้ยใจลอยละเผลอไปคิดเมื่อไรเผลอไปคิดเราจะลืมกายลืมใจเมื่อไหรลืมกายลืมใจเมื่อนั้นตกจากวิปัสสนาอย่างตอนเนี้ย ค, คิดไปแล้วรู้สึกมเพราะฉนั้นคิดไปเรารู้คิดไปเรารู้หย่าเพ่งตอนเนี้ยเพ่งละ เราเรียนสองอย่างนะเบื้องต้นเผลอไปเราก็รู้ทันเราเพ่งไปวปเราก็รู้ทันถ้าไม่เผลอถ้าไม่เพง่งมันก็รู้สึกเท่านั้นเองอย่าพยายามทําความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นจิตเผลอไปรั่วเผลอไปเพ่งอยู่รั่วเพ่งอยู่แล้วมันจะรู้สึกเองเ น, นี่ยตอนเนี้ยไปคิดแล้วทราบไหมฟังหลวงพ่อฟังไปคิดไปดูออกไหมไปเห็นไหมตอนส่งไม้ลืมตัวเองไม้จิตไปอยู่ในไม้เห็นไหมเนี่ยทุกคนช่วยกันปลุกเสกไม้อันเนี้ยใช่ไ ทุกคนเลยถ้าจับเพราะเพราะงั้นใครมาจับไหม่อันนี้นะแข็งหมดเลยหลวงพ่อว่าจะทําน้ํำมนต์มาลดหมดเสียดีอ่ะก็พยายามดูอยู่ครับหลวงพ่อแต่ว่าดีขึ้นนะดีไม่แน่ใจว่าที่รู้แบบมันเหมือนรู้ชัยชัเหมือนยังไงไม่รู้รู้ถูกหรือเปล่าครับชอบฟุ้งซ่านว่าจะทําจะทําอะไรอย่างเงี้ยให้รู้ทันว่ามันจะทำแต่รู้เรื่อยๆไปใช่ไหมครับที่รู้อยู่วันนี้ถูกเป๊ะเลยนะ นี่อยู่วัดหรือเปล่าไม่ได้อยู่ยให้คนยกกับมือเอายกมือเบอร์ร้อยสองเก้าสามแปรสถานหลวงพ่อครับวันนี้พาพาน้องชายมาครับน้องชายปฏิบัติมาแน่ก็อยากให้ขอไม่ต่างหลวงพ่อแนะนําน้องชายน<ะ>คนไหนน้องชายาเกครับอยู่ไหนทําไมไม่ยกเองโตป่านนี้แล้วฮนะ <laughs> ว่าไงสวัส ด, ดีครับ เมื่อสักสิปีก่อนเนี่ยแล้วผมก็ทํำฝึกนั่งสมาธิเอาเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้ตอนนี้ตอนเนี้มาฟังหลวงพ่อเพื่อจะหาทางรู้สึกไหมตอนเนี้ยเราบังคับตัวเองอยู่เดาออกไหมครับหาทางนะไม่ต้องหานะอะไรปรากฏขึ้นในกายรู้สึกอะไรปรากฏในจิตใจรู้สึกเงี้ยตอนเนี้ยเราไปบังคับตัวเองรู้ว่าบังคับใช่ไหมรู้สึกไหมการบังคับมันลดลงมันเบาลงใช่ไหมก็รู้ว่าเบาลงนะ ใ, ใจแอบไปคิดทราบไหม ใ, ไหไใจไหลไปรู้ว่าใจไหลไปการปฏิบัติทําให้มีอะไรมากหรอกให้มีสติรู้สภาวะธรรมที่กําลังปรากฏตามที่มันเป็นนะนตอนนี้มันไปคิดอีกแล้วทราบไหมีร่รู้อย่างนี้เรื่อยน ะ, บะเบอร์เก้าสามหลังๆหลว ง, งพ่อต้องสอนแบบรวบรัดแลนมะำส ก, กาหหลวงพ่อค่ ะ, ะมีวันหนึ่งที่เดินจงกรมอะค่ะก็เห็นความคิดมันขึ้นมาแล้วก็ดูตามรู้ว่าเออมีความคิด จนมันรู้สึกว่าทั้งที่มีความคิดก็ทุกข์ไม่มีความคิดก็ทุกข์เออต้องอย่างนั้นสิแล้วไงเดียแล้วแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งก็คือโกรธลูกอยู่ะค่ะก็กําลังดุดุดุอยู่อยู่จิตมันก็ย้อนลงไปหาหลวงพ่อมันก็เห็นว่าไม่เห็นมีเลยมันมาจากความว่างที่เราโกรธแล้วที่จะมาขอเม่ตาหลวงพ่อคือว่าหลังๆนั่งสมาธิพยายามที่จะทําตามที่หลวงพ่อสอนว่าอย่าไปถลําดูมันมันก็ถลํามันก็รู้ว่าถลํามันก็หลับมาค่ะหลวงพ่อ ดัเน็นอย่าไปนั่งมากนั่งนิดนหน่อยๆน่อยพอบนะไปเดินดีกว่าพยายามเคลื่อนไหวไหมกระดุกกระดิกอ้าเบอร์แปดปดขอบพระคุณค่ะคือเมื่อวานท่านท่านบอกว่าดีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรคือคือให้ให้ดีมันดีธรรมดาพอแล้วนะคะแต่แต่แต่หนูก็ไปทำต่อคือคือหนูก็ไปดูต่อนะคะ จะเห็นว่าสภาวะที่เห็นเนี่ยมันเป็นคนละส่วนกับอะไรที่มากระทบสัมผัสนะคะแล้วทีนี้มันมันก็ชัดขึ้นแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ดูต่อว่าข้างในมันจะรู้สึกสบายเบานะคะไม่รักษามัน อ, อ๋อก็ก็ดูดูขณะที่มันเกิดขึ้นมาขณะนั้นอะไรรู้ปัจจุบันนะไม่รักษาอะไรเลยขอบคุณค่ะอา้าวต่อไปเชิญยกมือเบอร์หกนะทีหลังเวลาชูนะพยายามชูเบอร์ดินะหลวงพ่อจะได้เรียกง่ายเอาไปเบอร์หกเบอร์หก เบอร์อื่นๆเอาลงก่อนนะเดี๋ยวชูนานเมื่อย ก, ก, การนมัสการหลวงพ่อค่ะมันทุกสุดๆกับการปรุงแต่งอะค่ะเฮ้ยภาวนาดีแล้วนี่มันช่วงนี้มันทุกขมากแล้วง็มันก็สังเกตเปล่าว่าทุกข์กับการที่เราไปยึดตัวตนของเขาของเราอะค่ะก็เรื่องของมันเลยแล้วมันโทรศษสาแล้วมันก็ข้าควรมันอยู่แต่อย่างงี้อะค่ะเอออย่ามาครวนกับหลวงพ่อนะ <c oughs> เสียเวล่ำเวลา ที่ภาวนาอยู่ใช้ได้แล้วก็คือตามรู้ตามดูต่ออยู่ใช่ไหใช่ภาวนาออกดีรู้ไปอย่างนั้นแหละจะไปเปลี่ยนมันสิขี้โมโหเกินไปอ้าวรู้สึกหรเปล่าว่าเราจริตใจเราเปลี่ยนไปตั้งเยอะแล้วนะมันโปร่งโล่งเบาไปหมดแล้วนี่จะมาคร่ําครวญว่าทุกนักหนาอ้าครับเออไม่ทราบผมต้องแก้ไขปรปับปรุงอะไรบ้างไหมครับพระพงงุธโยมคอยรู้สึกเรืได้นะครับแต่จิต <Hey. S 1> มันไม่ตั้งมัน่น รู้สึกไหมจมันอยู่นอกๆรู้สึกโล่งๆให้รู้ทันว่าจิตมันออกไปข้างนอกครับแล้วต้องรู้กายด้วยไหมครับรู้สิกายต้องรู้นะครับถ้าพวกเราคนไหนอายุ50ขึ้นอย่าทิ้งกายนะครับถ้าทิ้งกายแล้วไปดูๆเดี๋ยวเคลิมไปอันนี้ฝึกอยู่ใช้ได้ใช่ไหมครับใช้ได้แต่จิตไม่ตั้งมั่นรู้ว่าไม่ตั้งมั่นไปเบอร์36ค่ะคือถ้าเกิดมีอารมณ์แรงๆก็จะทราบอะค่ะแต่บางที มันเบาๆแปลกๆอะค่ะแปลกๆรู้ว่าแปลกๆเบาๆรู้ว่าเบาๆไม่ต้องรู้ชัดอเวลาเราภาวนาบางครั้งเราอยากรู้ชัดพออยากรู้ชัดนักกลายเป็นถลำลงไปจ้องไม่ดีนะแล้วมันปกติใช่ไหมคะหรือว่ามันไม่รู้คำว่าปกติเกิดกับพระโสดาบันพวกเราพวกผิดปกติทั้งนั้นแหละคือกิเลสลากไปลากมานะ ให้รู้ไปถูกลากเไปข้างซ้ายก็รู้ลากไปข้างขวาก็รู้รู้ไปเรื่อยเรื่เราที่บอกว่าเออบางทีมันมีการเพ่งใส่ตัวผู้รู้อะค่ะหนูไม่แน่ใจอะค่ะว่าอยากให้หลวงพ่ออธิบายให้ฟังหน่อยยังไม่เพ่งอะตอนนี้นะตอนนี้ยังไม่ได้เพ่งเอาไว้เพ่งแล้วค่อยมาถามอ๋อคือบางทีเหมือนจะเคยเป็นนะคะมันมเหมือนแบบว่าพอมีอารมณ์ปุ๊บ พอไปเหมือนแบบจงใจไปดูเสร็จแล้วไออารมณ์นะั้นมันก็หายไปกลายเป็นว่าตัวจงใจไปดูเกิดขึ้นมาแทนอะคะอ่ะให้รู้ว่าตัวจงใจไปดูเกิดขึ้นเท่านั้นเองรู้ปัจจุบันไม่ใช่เพ่งผู้รู้หรอกนะั้นเพ่งผู้รู้นี่มนเพ่งไว้อยู่ทั้งวันเลยเหมือนรู้ตัวอยู่ทั้งวันเลยใจนิ่งๆเห็นทุกอย่างเคลื่อนไหวเห็นโลกกระทาทั้งหมดเคลื่อนไหวนะเป็นปรากฏการ์แต่เหลือสิ่งหนึ่งนิ่งอยู่ถ้ายัางเหลือตัวหนึ่งนิ่งอยู่นะของปลอมนะขอบคุณค่ะเอาเบอร์145ยี้นี่ ร้อยห้าโน้ช่วงนี้พอนึกถึงการปฏิบัติแล้วมันเบื่อค่ะหลวงพ่ อ, อ, อพอตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บรู้อะเราต้องปฏิบัติแล้วก็รู้สึกว่ามันเบื่อเดี๋ยคิดว่าปฏิบัติสินะตั้งใจใหม่ว่าต่อไปนี้ไม่ปฏิบัติแล้วแต่ไม่ว่าความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคอยรู้เล่นๆไปค่ะจะลองดูแล้วก็มีอีกอย่างนึ่ค่ะคือ ฝึกมาก็นานพอสมควรแล้วแต่ว่ารู้สึกเหมือนจะจําโทสะได้อย่างเดียวเวลาหลงเวลามีโมหะเนี่ยจะนานยังไา น, ไ น, ไนอยู่เอย่าไปหวังว่ามันจะต้องเร็วนะโทสะเกิดรู้ว่ามีโทสะขี้โมโหวไว้พอโกรธขึ้นมาเราก็รู้โกรธเราก็รู้นะจิตเหลือสองอย่างเองเหลือจิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธนึกออกไหมจิตเหลือสองชนิดจิตที่โกรธจิตที่ไม่โกรธจิตที่โกรธเกิดขึ้นเกิดเองดูออกไหม แล้วก็พอเรารู้ทันมันก็หายไปเองนึกออกไหม <c oughs> นั่นแหละไปดูเห็นไหมทุกอย่างเกิดขึ้นเอง <c oughs> เกิดแล้วก็ <c oughs> ดับไม่มีอะไรที่เกิดแล้วคงที่เลย <c oughs> เราภาวนาเพื่อให้เห็นแค่นี้เอง <c oughs> คําว่าจิตในจิตหมายถึงเราเรียนรู้จิตบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วเราจะเข้าใจจิตทั้งหมดเข้าใจกายทั้งหมดด้วยอย่างคนไหนขี้โมโหเราก็ดูจิตที่มีความโกรธพอโกรธขึ้นมาเราก็รู้โกรธแล้วก็รู้นานไปนะเราไม่ได้ฝึกให้ไม่โกรธ เราไม่ได้ฝึกให้ไม่โกรธแต่ว่าพอโกรธแล้วเรารู้โกรธแล้วเรารู้แล้วจะเห็นอพอฝึกนานๆจะเห็นเลความโกรธจะเกิดห้ามมันไม่ได้ไมันเกิดเองเกิดแล้วสติจะเกิดหรือไม่เกิดก็สั่งไม่ได้แต่ทั้งวันเลยมีแต่ว่าสิ่งใดเกิดแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปจิต ท, ท, ที่โกรธเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไม่โกรธเกิดแล้วก็ดับเดี๋ยวก็โกรธอีกแล้วดูไปในที่สุดปัญญามันแจ้งว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปปัญญาจะเกิดตรงนี้ไม่ใช่เกิดแล้ว มุ่งไปปฏิบัติเพื่อให้ไม่โกรธนะนนต่ปฏิบัติ<ด>จนเห็นว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ดับแล้วนอกจากตรงนี้แล้วหนูควรจะเพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขอย่างอื่นไหมคะให้รู้ทันเราถูกความเศร้าหมองหดหูครอบงำจิตไปดูเอาตัวนี้<ข>นะเบอร์สิบนะเบอร์ 18, แ, ร18 <อ>แล้วก็เปเบอร์26 ครับหลวงพ่อครับตลอดประมาณ6เดือนที่ผ่านมาเวลาทุกครั้งที่ผมนั่งสมาธิน้ําตาจะไหลครับและคราวนี้จำปัญหาคือว่ามันจะเหมือนกับว่าในหัวมันจะแบบวูบๆบวูบ ว, ว, ว, วหรือไม่ บ, บ า, า, า, างทีมันจะเหมือนตึกๆๆและล่มในหูมันจะแบบว่าเป็นอาการเป็นอาการของปีตินะวูบวูบวับวับเลยเ น, นี้ยน้ําตาไหลเป็นปีติครับงั้นนั่งสมาธิมาพอสมควรต่อไปนี้เจริญปัญญาให้มากครับออกจากสมาธิมานะใจเราเป็นยังไงคอยดูไปเรื่อย ออกมาแล้วใจมีความสุขก็รู้ใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้รู้ไปเรื่อยๆครับแต่คราวนี้ผมมีปัญหานิดนึงครับคือช่วงเวลาที่กําหนดว่ามันเกิดคือผมพยายามถ้ากําหนดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะค่อนข้างยากที่จะกําหนดนะครับเพราะมันบูบวาบเร็วมากครับอย่าไปกําหนดเลยตรงที่กําหนดนั่นแหละดีไม่ดีกลายเป็นเพ่งยิ่งเพ่งมากนะยิ่งวูบวาบมากเป็นสมถะนะเพราะฉะนั้นพอทําไปแล้วมันก็เกิดปิติ <C lar m> ปิติมีหลายแบบบางทีก็รู้สึกบูบูบ้าบๆบางทีรู้ <C lar m> น้ำตาไหล บ, บางทีตัวลอยตัวเบาตัวโครงล <C lar m> อยไหมบางคนลอยจากพื้นเลยนะมีตัวลอยตัวเบาตัวโครงบางคนรู้สึกตัวใหญ่เต็มโลกธาตุคนรู้สึกหนักสารพัดเลยอาการของปีติเป็นสมถกรรมฐาน <m> ต่อไปนี้เจริญมิปัสสนารู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็น <m> นะมิปัสสาาัญญาณญาณะแปลว่า ความอย่างรู้คือตัวปัญญาไม่ใช่อาการแปลกๆทางร่างกายงั้นะบู๊บบาบา้บาเลยไม่ใช่เรื่องของปัญญาสักทสิ้นเลยปัญญาต้องเห็นอะไรปัญญาต้องเห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เห็นเรื่องอื่นหรอกฉะนั้นเราเห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์ไหมไม่เห็นเวลาเราดูท้องพองยุบนะจิตเราไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องเห็นไหมจิตมันไหลไปเอาใหม่ต่อไปนี้อย่าให้จิตไหลไปเกาะที่ท้องให้รู้ทันจิต จิตตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นเนี่ยถึงจะเดินปัญญาได้เพราะตัวสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตในเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่ถ้าเมื่อไรจิตเราไหลลงไปอยู่ที่ท้องหรือเดินจงกรมแล้วจิตไหลไปอยู่ที่เท้ามันคือการเพ่งตัวอารมณ์การเพ่งอารมณ์เนี่ยมีศัพ บ, บาลีเรื่องว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมณูปนิชฌานเนี่ยคือสมถกรรมฐานนะเพราะงั้นที่คุณเพ่งแล้วเกิดปีติไม่ใช่เรื่องประหลาดเลยมันเป็นไปตาม ที่อภิธรรมสอนด้วยซ้ำไปเป๊ะๆ เ, เลยนะงั้นต่อไป น, นี้เราจะไม่เพ่งตัวอารมณ์แต่เราจะรู้ตัวอารมณ์รู้อารมณ์หมายถึงว่าใจเราอยู่ต่างหากนะเราเห็นร่างกายนิพพองเห็นร่างกายนิยกใจเราไม่ไหลเข้าไปใจเราแค่เป็นคนดูอยู่พอเราเห็นร่างกายพองยบเห็นร่างกายยกเท้า ย, ย่างเท้าเห็นร่างกายมันทำงานเห็นจิตใจมันทำงานเราเป็นแค่คนดูสบายๆจิตมันตั้งมั่นเป็นแค่คนดู เมื่อจิตมันตั้งมั่นเป็นแค่คนดูปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นทันทีว่าร่างกายที่พองที่ยุบร่างกายที่ยกที่ย่างนะหรือจิตใจที่ขยับเยื้เคลื่อนไหวนั้นเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียวเลยเนี่ยปัญญามันจะเกิดมีเห็นไตรลักษณ์ถ้าใจเราไปเพ่งตัวอารมณ์เมื่อไหร่นะจะไม่เห็นไตรลักษณ์เป็นสมถะคําว่าอารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตไปรู้เข้าถ้าเราไปเพ่งสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะหรือกระทั่งเพ่งตัวจิตนะก็เป็นสมถะ แต่ถ้าเราเห็นไตรลักษณ์ใจของเราอยู่ต่างหากนะเราเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานอย่างนี้ถึงเรียกเห็นลักษณะเรียก อ, อารามณูปนิชฌานเป็นวิปัสสนากรรมฐานนะงั้นส่วนใหญ่ที่พวกเราทําแล้วมันพลาดไปเป็นสมถะงั้นดูท้องผ่องยุบถ้าดูให้เป็นก็ทําวิปัสสนาได้นะต้องปรับจิตนิดหนึ่งวางจิตผิดอ๋จิตเราอยู่ที่ท้องนี่มันก็ใช้ไม่ได้สิมันเพ่งอารมณ์ไป กรรมฐานอะไรอะไรหลวงพ่อไม่รังเกียจเลยนะกรรมฐานอะไรอะไรก็พอๆกันแหละถ้าทําได้ถูกหลักก็ใช้ได้เหมือนกันหมดถ้าทําผิดก็ผิดเหมือนกันหมดเลยติดสมถะเหมือนกันหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนระบกพล่องอยู่เรื่องหนึ่งคือไม่เคยเรียนเรื่องจิตสิกขาเลยนะในไตรสิกขาที่พระพุทธเจ้าสอนนะไตรสิกขาเคยได้ยินไหมอาธิศีลสิกขาอาธิจิตสิกขาทิฏิปัญญ า, าสิกขา เรียกย่อๆว่าศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาศีลสิกขาแล้วบอกเราถือศีลห้านี่มีศีลสิกขาแล้วตื้นไปตื่นไปจิตสิกขาไม่เรียนฉันจะไม่เรียนเรื่องจิตฉันจะดูกายก่อ น, นเห็นไหมวดดีแบบพระพุทธเจ้าอีกไม่เรียนจิตสิกขาฉันจะเจริญปัญญาเลยจะกําหนดรูปนามเลยถ้าเรากําหนดรูปนามโดยที่ไม่เคยเรียนจิตสิกขาแล้วนะเราไม่รู้ว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลจิตชนิดไหนเป็นอกุศล จิตชนิดไหนควรแก่สมถะจิตชนิดไหนควรแก่วิปัสนาเราจะเอาจิตอกุศลไปทํากรรมฐานบ้างนะเรียกว่านึกว่าวิปัสนาจิตเป็นอากูสนเรื่ยซ้ำไปเช่นเวลาเรากําหนดรู้สึกแมบางทีเครียดขึ้นมาจิตที่เครียดเนี่ยนะเป็นโทสะมุรจิตเป็นอกุศลจิตชนิดหนึ่งนั้นเราเอาจิตที่เป็นอกุศลไปทําวิปัสนาเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะไม่มีสติตัวจริงหรือเราไม่รู้ว่าจิตชนิดไหนเป็นสมถะจิตชนิดไหนเป็นวิปัสนา แล้ว เ, เอาจิต ท, ที่เพ่งอารมณ์ไปทําวิปัสสนามันก็ทําไม่ได้ดังั้นเราต้องเรียนนะเรียนเรื่องจิตจนเราแยกแยะได้ว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลจิต ท, ที่เป็นกุศลเนี่ยมีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่เข้าไปแทรกแซงรู้ซื่อจิต ท, ที่เป็นอกุศล น, นะมักจะหนักแน่นแข็งซึมทื่อ น, นี่พวกอกุศล นั่นถ้าภาวนาแล้วจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทื่อนะหยุดเลยทําผิดแล้วเป็นอกุศลแล้วอย่าไปทําอีกทําไปเรื่อยๆจะตกนรกเพราะอากุศลชนิดนั้นเป็นโทสะมรจิตนะถ้าจิตคุ้นเคยอยู่กับโทสะตายแล้วจะตกนรกเพราะเราตกทั้งเป็นแล้วรู้สึกไหมภาวนาเราก็เครียดตกนรกตั้งแต่เดือนนี้แล้วยังไม่ทันตายก็ตกแล้วพอตายก็ตกอีกนะ แล้วเราต้องมีจิตที่เป็นกุศลรู้ตื่นเบิกบานที่หลวงพ่อบอกสติตัวจริงเกิดนั่นคือจิตมันเป็นกุศลจริงๆขึ้นมาแล้วคราวนี้เอาจิตที่เป็นกุศลนะไปคอยรู้กายรู้ใจต้องรู้ให้เป็นอีกรู้กายรู้ลงปัจจุบันรู้ใจเป็นการตามรู้ต้องเรียนทั้งนั้นนะอย่ามาอวดดีว่าอยู่ๆก็รู้เองต้องเรียนรู้กายรู้ลงปัจจุบันได้เพราะอะไรกายไม่ใช่จิตรูปมีอายุยืนกว่าจิตแล้มีจิต เป็นคนดูเห็นร่างกายกาลังทางานในปัจจุบันได้แต่จิตนั้นเกิดดับทีละขณะเราจะเอาอะไรไปดูจิตเราก็ใช้จิตดูจิตแต่จิตนี้มีหน้าที่รู้อารมณ์ใช่แล้วจิตนี้รู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวงั้นยกตัวอย่างจิตกำลังโกรธอยู่จิตมีโทสะอยู่จิตในขณะนั้นจะมีสติไม่ได้มันคนราต้องคนละขณะกันมัเกิดจิตอีกดวงหนึ่งขึ้นมามีสติรู้ว่าจิตดวงก่อนนี้มีโทสะอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ การดูจิตนี่เป็นการตามรู้เปการตามดูตามดูแบบกระชั้นชิดเลยตามดูแบบกระชั้นชิดนี่เรียกว่าปัจจุบันสันตติปัจจุบันสันตตินะไม่ใช่ปัจจุบันขณะนะถ้าดูกายจะดูลงเป็นปัจจุบันขณะแจะดูจิตเป็นปัจจุบันสันติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันเฮ้ยไม่ต้องเรียนทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่อยู่ๆก็ดูพองยุบยกข้าย่างเท้าขยับไม้ขยับมือรู้ลมหายใจไม่เคยเรียนเลย สิ่งที่ทําก็คืออย่าไปเพ่งเอาเหมือนกันหมดเลยที่ไหนที่ไหนก็เหมือนกันหมดเลยแต่ถ้ารู้หลักแล้วนะใช้กรรมฐานอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยส่วนเราชอบพองยุบไม่ห้ามนะลูกศิษย์หลวงพ่อพองยุบนี่เยอะแยะเหมือนกันจิตเราตั้งมั่นนะเราเห็นท้องมันพองเห็นท้องมันยุบเห็นรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนี่แค่นี้ก็ทำได้ละดูท้องพองยุบอยู่ไม่ใช่ถล่าไปเพ่งที่ท้องดูท้องพองยุบอยู่เห็นรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดู ถ้าใจอยู่อยู่หนีไปคิดรู้ทันใจอีกเวลาทํากรรมฐานทำํำวิปัสสนากรรมฐานจริงๆจะไม่เลือกอารมณ์ไม่ใช่ว่าฉันจะต้องรู้แต่ท้องอย่างเดียวถ้ารู้อารมณ์อันใดอันหนึ่งอย่างเดียวนี่นะสมถะแน่นอนเลยถ้าเวลาเราจเจริญสติทำํำวิปัสสนาที่แท้จริงจิตจะเคลื่อนไหวตลอดเวลาเดี๋ยวรู้อันนี้เดี๋ยวรู้อันนี้เดี๋ยวรู้อันนี้แต่ทุกๆอันมีตัวร่วมคือมีไตรลักษ์ เงั้นเราเห็นอารมณ์อันนี้เกิดระดับเห็นอารมณ์อย่างนี้เกิดระดับเป็นรูปธรรมบ้างนามธรรมบ้างทั้งหมดแสดงเรื่องเดียวกันคือแสดงไตรลักษณ์ในที่สุดจิตจะปิ๊งในไตรลักษณ์แจ่มแจ้งในไตรลักษณ์ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่รู้อันเดียวนะงั้นอย่างบางคนคิดว่าหลวงพ่อสอนให้ดูจิตอย่างเดียวนี่เข้าใจหลวงพ่อผิดอย่าง ส, หสกกาหัสสากันเลหลวงพ่อสอนให้มีสติต่างหากเมื่อมีสติแล้วบางทีก็รู้จิตบางทีก็รู้กายบางทีก็รู้เวทนาบางทีรู้กระบวนการทํางานของธรรมะ เช่นนิวรณเกิดขึ้นได้ยังไงก็รู้ทันใช่ไหมโพชฌงเกิดได้ยงไงก็รู้ทันขันทำงานยังไงก็รู้ทันอริยสัจ ท, ทำงานแบบไหนก็รู้อันนี้ขึ้นไปสู่ธรรมานุปัสสนานะงนั้นต้องหลักต้องแม่นนะที่หลวงพ่อพยายามพยายามพูดทุกวิ่ทุกวันเพื่อจะถ่ายทอดหลักของการปฏิบัติไม่ใช่วิธีปริยย่อยในการปฏิบัติวิธีปริกย่อยไม่สาคัญหรอก แต่ว่าเนื้อหาสาระที่เป็นแก่นสารเป็นหลักเนี่ยต้องแม่นจริงๆถ้าพลาดจากหลักนะัยังมาพูดเลยว่าวิธีไหนดีกว่าวิธีไหนใช้ไม่ได้เหมือนๆกันนะแต่ ถ, ถ้าถูกหลักนะดูท้องพองยุบก็ใช้ได้มรรคผลนิพพานก็เกิดได้นะพุทโธหายใจใต้ทั้งนั้นเลยนะจะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้ไม่มีอะไรดีกว่าอะไรหรอกนะแล้วแต่ว่าจริตนิสัยของใครเหมาะกับกรรมฐานยังไงก็ใช้อ น, นันเลยแต่ต้องใช้อย่างถูกหลัก มีสติรู้รูปนามด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีไหมของคุณไม่ได้มีสติรู้รูปนามด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนึกออกไหมหลวงพ่อตอบคุณที่ยาวนะเพราะเป็นเรื่องของหลักร่วนๆเลยนะเพราะว่าจะมาตอบทีละคนคงไม่ไหวนะพยายามพูดหลักให้ฟังรายละเอียดปริยิย่อยที่พวกเราถามเป็นเรื่องหยุมหยุมหยิมห ย, ม ย, มยมิเป็นวิธีการในรายละเอียดไม่สําคัญเท่าไหร่หรอกแต่ละคนมีวิธีการเฉพาะของตัวเองแต่หลักต้องแม่นนะ คนไหนใช้วิธีอะไรก็ได้แต่หลักต้องแม่นพูดแทบเป็นแทบตายก็เพื่อจะบอกเรื่องนี้นะเหนื่อยมากเลยแต่ละวันกราบน้ำมศกาหลงพ่อท่านนานมีโอกาสมากราบหลวงพ่ อ, อ, อจิต <ลง S 1> เป็นยังไงเอาอะไรมาฝากหลวงพ่อความโกรนกระายอึดอัดแน่นหลายกรรู้ไหม ร, ร, รู้ทันไหม เป็นกลางไหมไม่เป็นเท่าไหร่ไ ม, ไม่เป็นรู้ว่าไม่เป็นได้คะแนนนะ <S <S ออถ้าไม่เป็นแล้วอยากเป็นเนี่ยสอบตกยอมรับไมมกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรารู้สึกไม่ยอมรับใช่ไหมเจ้าคะถึงเป็นอย่างนี้ใช่สิถ้าไม่ยอมรับเราทุกนะถ้ายอมรับราไม่ทุกแต่โดยรวมนะที่โยมปฏิบัติใช้ได้นะโยมก็มีพัฒนาการมาให้หลวงพ่อดูปีใหม่เหมือนกัน ขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะรู้สึกไปนะรู้สึกค่ะแต่ทราบเลยว่าที่บุตรหลวงพ่อเทพตั้งแต่ชาแล้วจนมั่งกี้ฉนว่าไม่อยากจะถามแล้วว่าตัวเองไม่ยอมรับนะคะนั่นแหละนะต่ออีกข้อหนึ่งขอนได้ทำขอกรรมฐานที่ถูกจริญก็ยอมได้ค่ะที่ยมทําอยู่ตอนนี้ถูกต้องแล้วรู้สึกการู้สึกใจไปขอบพระคุณค่ะร้อยสี่สิบเจ็ดกลับนักศการหลวงพ่อเจ้าค่ะเอ่อ เวลาปฏิบัติอยู่บ้านเนี่ยสวดมนต์ตามรูปแบบแต่ว่าพอดีสวดยาวคือสวดออยอดประกาศใจปีเดอรกับชิด น, น, น้ปัญชาเดี๋ยวเดี๋ย ว, ยวไม่ต้องเล่าน ะ, ะเอาจิตขนาดนี้มันไหลไปในอารมณ์รู้สึกไหมรู้สึกค่ะจิตขนาดนี้ถูกอารมณ์ครอบงำรู้สึกไหมใช่ค่ะออรู้ทันลงไปอย่าปล่อยไว้อย่างนี้แล้วชอบจะเผลอบ่อยนะคะเนี่ยแล้วมันเคลิมเคลิมไปเงี้ยมันมีความสุขนะ พยายามรู้สึกไว้รู้สึกไว้หายใจแรงแไว้ขยับร่างกายไว้นวดตัวเองไปไม่ต้องให้คนอื่นนวดขยับไปรู้สึกตัวให้ชัดๆขึ้นมาแต่บางครั้งก็รู้สึกนะคะบางครั้งเนี่ยพอเผลอไปก็ดูแป๊บไม่เอานะไม่เอาไอ้นั่นไม่สำคัญคที่ที่เป็นปัญหาของโยมตอนนี้ก็คือจิตมันถูกอารมณ์ครอบงำ แล้ว เ, เพ่งด้วยหรือเปล่าเจ้าคะ่ะเป็นเพ่งไว้แล้วมันซึมอยู่กับอารมณ์น ะ, ะพยายามกระดุกกดิกไว้ลืมเรื่องปฏิบัติซะออกไปทะเลาะ ก, กับลูกบ้างน <c oughs> เนี่ยน่ยพอให้ทะเลาะรู้สึกหมจิตเ <c oughs> ลิ่มเคลื่อนออกมาแล้วรู้สึกไหมรู้คะ่ะเออนั่นต้องอย่างนี้ทีนี้เดินจงกรมก็ไม่ค่อยเป็นเจ้าค่ะเดินไม่ได้ก็นั่งเอาเออนั่งรู้สึกตัวเดินจงกรมก็คือเดินรู้สึกตัวบาง ท, ท, <ำ S 2> ทีเดินเหมือนกับหลวงพ่อบอก ว, ว่ามันจะไปวิ่งตามกวายอะอแล้วกว่าจะมารู้สึกตัวแล้วก็จุดตึก แล้วก็ค่อยๆเดินเดินเดินไม่ที่สําคัญตอนไอ้นั่นไม่ใช่เรื่องสําคัญนะสําคัญเนี้ยตอนเนี้ยจิตมันคุ้นเคยที่จะถูกอารมณ์ครอบงํานะรู้สึกไหมมันหยาดเยิมเคลิมเคลิ้มนวลนวเนียนเนียนอะไรไม่เอานะอย่างเงี้ยแล้วไปรู้ทันแล้วเลิกซะรู้ทันแล้วเลิกเจ้าค่ะถ้าให้คนอื่นบ้างแยอมพูดต่อไปโยอมจะบรรยายด้วยความสุขคนอื่นจะมีแต่ความทุกข์เอาไปของใครที่ยกมือไว้ รบกวหลวงพ่อช่วยตอบคําถามนิดนึงครัพอดีสงสัยเรื่องพระภาธิยาค่ะอะไรนะพระภาคียาค่ะทําไมอ่ะคือที่ทราบมาก่อนก็คือว่าปกติเวลาบรรลุธรรมมันจะต้องมีสี่สเต็ปใช่ไหมคือทุก<ช>หลวงพ่อเคยบอกว่าต้องผ่านโสดาเมกี้ค่ะผ่านท่านผ่านอย่างรวดเร็วเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บคือท่านผ่านช็อตเดียวไม่ใช่ช็อตเดียวสีช็อตแต่ต่อกันแล้วมันเรื่องอะไรถามเรื่องพระภาหียะ <laughs> ทำไมของเราเราไม่ดูฮะไอ้หนูจบแล้วเหรอรู้สึกไว้นะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีฝึกไปอดทนอดกลัน้นตามรู้ตามดูนะที่ฝึกอยู่ดีขึ้นเรื่อยๆแนะเอาไปต่อไปที่ยกไว้แล้วาลการ<อ>หลวงพ่อครับคือเมื่อเมื่อเดือนสิงหาครับผมมารายงานหลวงพ่อหลวงก็หลว ง, งพ่อว่าผมเกลียดกิเลสรดดุนแรงนะครับช่วงนี้ก็ ยอมรับได้บ้างเลยครับแต่ว่าพักนี้แบบมันฟุ้งง่ายอะครับหลวงพ่อฟุงก็รู้ว่าฟุ้งนะยอมรับไหมว่าจิตมันจะฟุ้งซ่านยอมรับเป็นบางครั้งครับพยายามรับไม่ได้ก็ทุกข์ถ้าดูไปมีกรรมฐานอะไรที่แบบจะแนะนําผมไหมครับของคุณนะเป็นคนคิดมากอยู่แล้วดูจิตดูใจไปนั่นแหละเหมาะแล้วแต่คําว่าดูจิตให้ดูจิตนี่ไม่ใช่มันรู้แต่จิตนะมันรู้สารพัดแต่ร่างกายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกเองครับ เพราะงั้นเวลาเราทําวิปัสสนาเนี่ยไม่ว่าเราจะใช้อารมณ์อะไรเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เราจะรู้ทั้งรูปทั้งนาม บ, บางทีก็รู้รูปบางทีก็รู้นามไม่แน่หรอกเหมือน้นดูจิตเป็นฐานไหมครับบางครั้งเวลาสดมนเสร็จเนี่ยมันก็มันก็ ม, มีมีสมาธินะครับแต่ว่าพอไปพักหนึ่งมันก็ฟุ้งอีกแล้วจิตมันจะทํางานก็ไม่ว่ามันตามดูมันไปเห็นไหมจิตมันฟุ้งสั้นได้เองดูเพื่อให้เห็นตรงนี้ไม่ใช่ดูเพื่อให้ดีนะ ถ้ารักดีต้องหามจั่วเหนื่อยครับครับขอบคุณครับไปส่งต่อไปทท้งนั้นสองคนแล้วก็มาเบอร์ร้อยสิบสองหลวงพอ่อคะหนูรู้สึกว่าหนูน่าจะทำผิดอะคะอ่ะหาทำไมล่ะก็มันหลวงพ่อจริงถ้าหนูทำอะไรก็ผิดหมดแหละ <laughs> มันผิดตั้งแต่อยากทำอะแล้วแล้วจะต้อง ยังไงอะคะรู้ลงปัจจุบันไปน ะ, ะใจฟุ้งซ่านใจกระวนกระวายรู้ว่ากระวนกระวายลืมคําว่าถูกว่าผิดเสียแล้วรู้อารมณ์ทั้งหลายที่ปรากฏเป็นปัจจุบันนะไม่มีถูกมีผิดหรอกอย่า ก, กลัวผิดเลยยังไงก็ผิดแล้วเวลาทําสมาธิอะคะ่ะเวลานั่งอะนะคะเราจะรู้สึกว่าแน่นๆแสดงว่าผิดแน่นอนใช่ไหะแน่นอนนะจิตที่แน่นๆเป็นอกุศลจิตนะเกิดจากอะไร โลภะมันเกิดมันอยากให้สงบแล้วไปกดไปข่มจิตเข้ามันแน่นสิจิตเหมือนเด็กจิตไม่ชอบให้ใครบังคับต้องทำยังไงคะทำไม่ได้ <c oughs> ให้รู้เอามีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้นะอะไรๆเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวทำมากกว่านี้ไม่ได้ดอกอ่ะไปต่อไปขอบคุณค่ะ นัสกาหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้ที่ทําอยู่ยังตัวปลอมหรือเปล่าดูออกหรือเปล่าว่าตัวจริหรือตัวปลอมตัวปลอมค่ะอ๋อแล้วมันจะถูกได้ยังไงอ่ะดูออกหรือดูไม่ออกค่ะอ้าวตอบใจเรากันไม่ใช่รู้สึกไหมใจเรานิ่งๆกว่าความเป็นจริงขณะเนี้ยหรือไปกดไว้ใช่ไหมกดไว้สิเห็นไหมสิ่งที่ผิดมีสองงานเองอันหนึ่งหลงไปเพลิดเพลินไปอันที่สองไปกดข่มบังคับเอาไว้ นะตอนนี้ข่มไปอย่างเมื่อกี้ใจลอยไปวูบไปเลยรู้สึกไหมใจใจกระโดดวูบไปนะให้รู้ทันเพราะอยู่ตัวหน้าหลวงพ่ออรุณป่าเขามันเลยปิกเพ่งไปกดใช่ใครเจอหลวงพ่อก็ตัวแข็งหมดเลยแต่ในชีวิตประจําวันที่ทําอยู่นี่ถูกพอใอ้ได้ <พอ S 1> ใช่ไหมคะพอใช้ได้นะมันฟุ้งซ่านไปนิดหน่อยแล้วทําไมรู้สึกว่ามันจิตใจมันหดหูวะคะหดถูก็รู้ไปสนะิรู้ไปทุกอย่างที่มันเป็นไม่ใช่ฝึกให้มันดี ไม่ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ห้ามชั่วคือห้ามผิดศีลห้าเท่านั้นแหละนะลูกศิษย์หลวงพ่อนะไม่ต้องทําตัววางฟอร์มเป็นคนดีหรอกนะไม่ดีก็ได้นะแต่ว่าห้ามชั่วห้ามผิดศีลห้านะถ้าผิดศีลห้าแล้วภาวนาไม่ขึ้นหรอกแล้วหนูต้องทอํายังไงนะทำเห็นไหมต้องต้องรู้ยังไงครับนึกนองกหรือยังที่หลวงพ่อบอกว่าใจของเราทุกคนคอยคิดว่าทํำยังไงจะถูกทํายังไงจะดีเห็นไหม มันอยากทำให้รู้ว่าอยากซะรู้ทันลงปัจจุบันไปเรื่อยๆแล้วทาในรูปแบบก็เดินจงกรมแล้วก็นั่งออนั่งไปเดินไปรู้สึกตัวไปพุโทโธไปอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ทำไปเพื่อบังคับตัวเองทำไปเพื่อให้เห็นว่าร่างกายมันก็เคลื่อนไหวจิตใจมันก็เคลื่อนไหวดูเขาทำงานไปเรื่อยๆ หนูยังไปเข็นใจใช่ไหมคะอะไรนะหนูยังไปเข็นใจอยู่ใช่ใชไหมใช่อยากได้อยากเป็นใช่ไหะอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้เป็นสเต็ปของมันขอบคุณเจ้าค่ะเมื่อ39แล้วมาเบอร์ไรสิบสองนั่งเก้าอี้อยู่นข้างหน้านี้สาไมโครโฟนน่าสนใจมากรู้สึกไหม <laughs> เห็นไหมจิตถูกไมโครโฟรนดึงดูดกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะ รู้สึกละอายใจมากเลยที่จะต้องถามคำถามนี้แต่ว่าไม่ถามก็ไม่ได้เพราะตั้งใจมาจากบ้านนะคะแล้วก็ตั้งแต่มาเช้านี้หลวงพ่อก็เทศเรื่องที่อยากจะถามเนี่ยค่ะแต่ยังก็ต้องถามอีก <c oughs> คือคราวที่แล้วค่ะก็เลยบเยบเพียงเคียงถามหลวงพ่อทีนึงแล้วว่าที่โยมปฏิบัติอยู่เนี่ยเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสนาหลวงพ่อได้เมตตาบอกว่ากำลังเดินปัญญาอยู่ค่ะทีนี้โยมก็ไปดูต่ออีกนะคะก็รู้สึกว่า สภาวะเราก็เห็นว่ามันดับแล้วเกิดส่วนจิตก็เห็นนะคะว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ยอมก็ไม่เห็นไตร ล, ลักณแล้วก็ทํำวิปัสนาไม่ได้อยากกลับ<ค>รเรียนทำแล<ค>้บกละ่ะก็ไอ้ที่เห็นเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเห็นไตร ล, ลักษณ์ล่ะเพียงแต่มันไม่แขวนป้ายยี่ห้อว่าไตร ล, ลักษณ์เท่านั้นเองมั น, นขณะฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยนะคะจิตใจมันแช่มชื่นเบิกบานมากเลยคะ่ะแล้วมันเหี่ยวสลดเหมือนกับผักสดสดที่แบบโล่ควาร้อนลงไปเลยนะคะนั่นแหละนะ ที่โยมทําอยู่นะใช้ได้นะรู้สึกไหมจิตวันนี้เป็นยังไง ร, รู้สึกไหมจิตโล่งว่างกว้างขวาง<ะ>รู้สึกไหมจิตสว่างสวัยคนเดียวก็สว่างเกือบเต็มสลาละจะเอาอะไรเ <c oughs> มื่อสาวันก่อนเหมือนกับมีอะไรมาคลุมจิตแต่มันก็ไม่ได้มืดนะคะเหมือนกับมีอะไรมาคลุมอยู่โยมก็ดูว่ามันโมหะหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะค ะ, ะดูไป นี้ต้องกราบเรียนถามว่าโยมผิดพลาดตรงไหนไม่ค่ะที่ทําให้ขึ้นไม่ปรัสนาไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเห็นมรณะเมื่โยมมันเห็นความตายอยู่ตลอดนะคะโยมที่โยมทำอยู่เนี้ยที่ยมทำอยีิปรัสนาอยู่นะอ๋อแล้วค่ะค่อยโล่งหน่อยค่ะเพราะว่าเห็นความตายอยู่ตรงหน้าตลอดเวลาก็เลยกลัวว่ามันจะนั่นแหะค่ะคือกลัวเหม่เห็สภาวะมันหมุนเวียนอยู่ตลอดนะตรงที่เราเห็นสภาวะมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนั่นแหละทำมิปรัสนาอยู่ค่ะนะ เบอร์ร้อยสิบสองไม่ตัวนี้มันเป็นยังไงนะมันน่าสนใจกา บ, บนมัสการหลวงพ่อค่ะคือขอยกสิทธิ์นี้ให้คุณแม่ะคะ่ะขอให้คุณหลวงพ่อสอนสภาวะคุณแม่นะะหน่อยค่ะไหนแม่อยู่ไหนขอโทษแล้วก็ไม่บอกเอา้าย้ายไปก็ย้ายมาเป็นแม่งูกับลูกงูย้ายไปย้ายมากาบนมัสการค่ะ คือว่าลูกก็ชวนมาหลายคนแล้วแต่ก็ก็ผัดเข้ามาเรื่อยแต่ก็เคยมานั่งนั่งฟังอยู่ประมาณสองสามครั้งแต่ครั้งนี้ก็ชวนมาแล้วก็บอกลองมาดูแต่ว่าก็ที่บ้านก็ฟังซีดีอยู่นะแล้วก็พี่อ้อยเนี่ยจะเป็นคนบอกอยู่เรื่อยสังเกตไหมใจเราไม่เหมือนเดิมดูออกไหมใจเราโปร่งโล่งเบาขึ้นดูออกไหม ใจเราสว่างสวัยมากขึ้นนะกเิเลสหรืออะไรผ่านมาเรารู้ได้เร็วขึ้นที่ภาวนาอยู่ใช้ได้แล้วนะอดทนไปภากเพียนคอยรู้คอยดูเล่นๆไปเอาต่อไปเบอร์อะไรละ่ะอ่ะ 64-87-57-15 อัดนี้เ้แค่นี้หลับตาละกราบนมัสการหลวงพ่อครับก็วันนี้ก็รู้สึกหรือตัวปลอมตัวปลอมครับมั น, น <ะ S 1> เพ่งๆไปนะครับ เ, ออเห็นไหม เรียน<ม>จนรู้เรื่องแล้วแล้วไงอีกแล้วก็อยากจะถามหลวงพ่อนิดนึงนะครับว่ามีอยู่วันหนึ่งนะครับขณะที่กําลังนั่งสมาธิอยู่นะครับแล้วก็อยู่ดีๆมันก็มีราคะแทรกเข้ามานะครับแล้วก็ก็แล้วก็มันมีความรู้สึกโกรธนะครับโกรธความความไม่พอใจครับจิตมันก็เห็นนะครับแล้วอยู่ดีๆมันก็มีคําว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเสมอกันนะครับหลังจากนั้นมันก็เห็น เหมือนทุกอย่างนี่มันมันราบไปหมดนะครับแต่ว่ามันเป็นแป๊บเดียวนะครับออแล้วหลังจากนั้นมันก็ก็ฟุ้งซ่านต่อครับอืแล้วก็ดีแล้วจิตมันเกิดปัญญาครับแต่มันยังไม่เกิดมรรคครับผมแล้วก็เห็นทุกคนอยากให้หลวงพ่อช่วยฉีดหน้ากากนะครับแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะขอขอประจานตัวเองนะครับก็เมื่อวันสองวันนี้นะครับไปด่าเพื่อนนะครับไปทะเลาะกันแล้วก็เลยไปด่าเขานะครับแล้วก็ไปโกรธเขาด้วยนะครับก็ดูความโกรธไปพักนึก็ เห็นความโกรธมันดับแต่ว่ามันยังมีก้อนแข็งๆอยู่นเป็นวิบากนะครับเป็นวิบากของเราต้องรับครับแล้วก็มันมันรู้สึกว่าเหมือนแบบมันรักหน้าตัวเองนะครับที่ไปด่าคนอื่นต่อหน้าคนอื่นนะครับต่อหน้าหลายๆคนมันทําให้แบบอุ้ยคนอื่นเขาต้องครับเสียภาพพจน์คนอื่นเขามองเราเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแน่นเขารู้ว่าเราเป็นคนไม่ดีเลยครับมันก็เลยแน่นอยู่ทั้งวันนะครับก็เลยดูมันไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วพอตอนเย็นมาเนี่ย ที่ทำงานเขามีงานเลี้ยงนะครับก็เขาก็มีหางเครื่องมาเต้นอะไรเงี้ยครับอพอเห็นหางเครื่องมาเต้นเท่านั้นนะครับไอตัวแน่นมันก็หลุดไปนะครับก็เลยดีใจก็เลยครับดูเขาเต้นไปด้วยดูใจตัวเองไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ก็เลยบอกว่าเออหางเครื่องก็ให้ธรรมะเราได้อะไรเงี้ยแต่อย่าเอาเป็นข้ออ้างไปดูหางเครื่องครับ <laughs> แต่ว่ามันเขาเขาก็ช่วยให้หลุดครับตอนนี้ใจก็หลุดออกมาแล้วครับตอนนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เพ่งตอนนี้ก็หลุดแล้วครับถูกต้องแล้วนะที่ภาวนาอยู่ใช้ได้แล้ครับรูสึกไหมโลกธาตุนี่ว่างๆครับว่างแต่ไม่ใช่ว่างแห้งแรงดูออกไหมตอนตอนนี้ก็ยังบางทีก็ยังยังดูไม่ถึงตรงนั้นนะไม่เป็นไรครับแต่ดูแม่ใจมันโล่งๆว่างๆนะมีความสุขมีความสุขแผ่วๆตรงนี้ไม่สุขแล้วนี้เพ่งครับเพ่งขึ้นแล้วครับอย่าไปเพ่งมันเรียเปล่ยมัน ครับไม่าำไม่ได้ครับเห็นหลวงพ่อแล้วก็เกรงครับถูกถูกห้ามไม่ได้ครับผมก็ขอบคุณมากครับอืม เ, อเบอร์อะไรที่เรียกไปแล้วนะแปดสิบเจ็ดใช่ไหมข้างหลังไปยกไปอีกแปดสิบเจ็ดยกไว้นู่นอยู่ข้างหลังเลยข้างหลังใกล้ๆเสาใครเบรื่อจะกลับก่อนก็ได้นะหลังจากหลวงพ่อให้ไปดูดูลงปัจจุบันเมื่อที่ที่แล้วค่ะ จิตตั้งมัน่นแต่ว่าไม่เป็นกลางแล้วก็เห็นอัตตาค่ะดีภาวนาดีขึ้นตั้งเยอะแล้วรู้สึกไหมรู้สึกเปล่าว่าเราพัฒนาขึ้นรู้สึกค่ะเออเราจะถามทําไมก็อยากรู้ว่าเดินมาถูกทางหรือเปล่าลถูกเลยถูกเป๊ะเลยไปทําอย่างเดิมนะอย่างที่ให้ทําแล้วนะทำไปอีกเอาต่อไปเรียกใครไปแล้วมีไหมเบอร์ห้าเจ็ดเหรอเอยกไว้เบอร์ห้าเจ็ดคนอื่นเขาไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนส่งมาด้านหน้า หลวงพ่อสอนที่นี่อีกวันหนึ่งนะแล้วไปสอนที่อยุธยาอีกวันเดี๋ยวได้พักล้วได้พักอีกวันหนึ่ง <c oughs> แล้วก็สอนต่ออีก4ีห้าวันพบกลับนมมัส ก, การหลวงพ่อนะครับพอดีผมเพิ่งมาเป็นครั้งแรกครับอยากาจะรู้สึกไหมเราบังคับใจตัวเองไว้เรากดกดหน่วงหนวไว้ดูออกไหมรู้สึกครับนะรู้สึกเป็นแล้วดูไปเรื่อยๆนะดูไปอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมครับออแต่อย่าไปเพ่งใส เวลาของคุณรู้ว่าคุณจริงจังในการรู้มากไปถลําไปจ้องมากไปรู้เล่นๆตอบให้แล้วนะยังไม่ต้องถามเสียเวลาร้อยเบอร์สเเอาแค่นี้ก่อนนะน้ำมัศาการหลวงพ่อครับ<ม> อ, อยากทราบว่าสิ่งที่ผมปฏิบัติอยู่ถูกกับจริตผมไหมครับถูกถูกนะแต่ตอนนี้ตื่นเต้นเลยไปกดมันไว้ที่ปฏิบัตินถูกแต่ว่าจิตยังไม่ตั้งมั่นพอนะ รู้สึกไหมความรู้สึกตัวของเรากระจายออกไปกว้างๆโล่งๆว่างๆนะให้รู้ทันว่าจิตไปอยู่ข้างนอกเนี่หลวงปู่ดุลเรียกจิตส่งออกนอกเี่ว่างๆสบายรู้สึกไหมว่างๆเหมือนมันอยู่ข้างนอกมันไม่ทวนกระแสเข้ามาหาตัวเองครับถ้าเกิดว่าอย่างเราเหมือนกับเราย้อนกลับไปดูข้างในเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นเพ่งในจงใจหระย้อนถ้าจงใจย้อนจะเพ่ง แค่รู้ว่าจิตมันอยู่นอกๆออเดี๋ยวมันเข้ามาเองถ้าเข้ามาเองแล้วมันจะพอดีถ้าเราจงใจย้อนนะจะเข้าลึกไปเพ่งแบบ 3, ครับนะสามแปดครับหลวงพ่อครับช่วงนี้ก็ดูสภาวะตั้งแต่ตื่นนอนถึงถึงตอนเข้านอนนะครับก็เห็นความพอใจไม่พอใจเห็นโกรธเห็นเกลียดทุกๆอย่างครับ<อ>รู้สึกมันห่างๆมีริยะห่างออกไปโอ้ดีนะครับ กายกับจิตก็ห่างออกไปอรู้สึกเห็นเป็นสังขารนะครับเห็นเป็นสัญญาที่วิ่งเข้ามาอืนะครับไม่ทราบที่รู้อย่างนี้อยู่อย่านี้ถูกนะแต่ใจตอนนี้ไม่ถูกเข้าออกไหมตอนนี้ตื่นเต้นครับตอนนี้แข็งแข็งแข็งแข็งครับดูไปอต่อไปเบอร์อะไรที่เรียกไว้แล้วเบอร์19บเก้าสิบเก้าร้อยสามสามรอยสมสมไปไหนแล้วล่ะเบอร์19อยู่ห้องหลัง ใครรู้สึกว่าฟุง้งซ่านบ้างสารภาพดีเออดีสีสารภาพอา่ะต่อไปกราบนมัสการหลวงพอ่อะวันนี้มีเรื่องจะมากราบเพียหลวงพ่อสองเรื่องะคะ่ะเรื่องแรกจะมาขอกราบขอขมาค่ะคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเออไม่เป็นไรนะอาคมาให้เอาเรื่องที่สองเรื่องที่สองจะมากาบเพียนถึงผลการปฏิบัติของตัวเองะคะอค่ะ ได้เริ่มฟังิทธีของหลวงพ่อมาประมาณห้าเดือนนะคะแล้วก็ ม, มีความรู้สึกว่าตัวเองมีพัฒนาการขึ้นก่อนหน้านั้นอยากจะที่ยมฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะจิตยมก็เริ่มเปลี่ยนแล้วะนะรู้จะรู้ตัวขึ้นมาแล้วค่ะอยากจะปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาครับโอ้ดีนะอราาิยบูชาเออนะโมทนาสาธุเลยหลวงพ่อชอบมากเลยนะเอาผลการปฏิบัติมาถวาย อย่างเอาของมาถวายนะหลวงพ่อไม่ได้ใช้หรอกเอาตาังมาถวายหลวงพ่อกไม่ได้ซื้อของก่อนหน้านั้นดูรู้สึกว่ายังปฏิบัติไม่ไม่ดีพอที่จะเอามาถวายหลวงพ่อได้ะคะ่ะแต่ว่าวันนี้มีความมั่นใจว่าได้ทราบถึงต้นทางของการปฏิบัติแล้วว่าก็เลยอยากจะนํามาถวายหลวงพ่ออืมดีโมทนาชอบอย่างนี้ชอบแต่อย่าบังคับมันนะยังบังคับอยู่บั ง, บงคับอยู่ใช่ไหมคะอันนั้นเป็นของเก่าที่ฝึกมาบังคับมาจนชิน ขอบคุณค่ะอ้าวต่อไปเบอร์อะไรเบอร์ร้ยสามสามทักทั้งหลังนะแล้วก็มาร้อยสิบสองข้างหน้าอ้าวนมัสการแล้วไม่ต้องพูดซ้ำผมมาครั้งแรกนะครับผมก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาได้สักพักหนึ่งลนะครับก็พยายามปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับอยากขอคำแนะนำหลวงพ่อเป็นกิเลสไปไหมวันหนึ่งวันหนึ่งก็ ก็พอสมควรนะครับผมบางวันก็บ่อยบางวันก็ไม่บ่อยนะครับเราบังคับไม่ได้หรอกจะเห็นหรือไม่เห็นนั่นนะคแค่ว่ากิเลสเกิดแล้วเรารู้กิเลสเกิดแล้วเรารู้รู้เล่นๆไปหรือว่านอกจากกิเลสแล้วก็ถ้าใจมีความสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจเราเฉยๆก็รู้แต่อย่าเพ่งเอาไว้ครับให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาครับแล้วผมดูจิตไปตรงๆเลยได้ไหมครับหรือว่าได้แต่อย่าไปเพ่งใส่มัน ให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้นะเช่นโกรธขึ้นมาก่อนแล้วค่อยรู้ว่าโกรธอย่าไปรอดูบางคนไปจ้องอยู่ที่หน้าอกเนี้ยรอดูเมื่อไหร่กิเลสจะเกิดถ้าจ้องไว้นี่ใช้ไม่ได้เป็นการเพ่งครับผมขอบคุณครับเอามาเบอร์ร้อยสิยกมือไว้นี่เด็กยกแล้วก็จะยกให้แม่อยู่ขึ้าเนี้ยมีแม่ยกให้ลูกลูกยกให้แม่พี่ยกให้ น, น้องน้องยกให้พี่ไม่ยอมยกเองไหม หลวงพ่อครับน้องไม้ไปเรียนที่โรงเรียนแล้วมีเพื่อนเขาบีบคอน้องไม้รู้ว่าโกรธก็รู้ว่าโกรธแล้วก็วิ่งหนีเขาแล้วความโกรธมันก็หายไปเองครับก็ดีแล้วนะแล้วบีบคอเขาบ้างเปล่าเปล่าครับเขายังบีบเราไม่แน่นหรอกเราถึงวิ่งหนีได้ดีแล้วภาวนา เ, ออเด็กๆก็ภาวนาเก่งกรดแล้วรู้ว่าโกรธเหรอครับ แล้วเวลาอยากกินขนมรู้ไหมไม่รู้ครับไม่หัดรู้สิเวลาอยากดูการ์ตูนรู้ไหมต่อไป น, นี้นะอยากกินขนมให้รู้ว่าอยากกินแล้วก็ค่อยกินทีหลังนะครับอยากดูการ์ตูนให้รู้ว่าอยากแล้วค่อยดูทีหลังครับทําอะไรนะให้รู้ทันใจตัวเองซะก่อนแล้วค่อย ท, ทําทีหลังนะโกรธแม่บ้างไหมไม่ครับจริงอ่ะไม่เคยโกรธเลยเหรอเดี๋ยวมาหลอกกันนะ เลีนยใจแม่มากเลยเขาชอบบอกว่าอยากแล้วก็แม่ก็ไม่ให้ให้ดูว่าอยากแล้วก็ไม่ให้อ๋อเอาต่อไปหลวงพ่อคะหนูติดนิ่งหรือเปล่าคะติดนี่ต้องยังไงเห็นไหมอยากทำเลยไหมติดให้รู้ว่าติดทำไมต้องติดเพราะว่าจงใจปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติแล้วไปจ้องจ้องเพ่งเพ่งเอาไว้ค่ะกรรมฐานของหนูต้องทำยังไงอะคะอย่าทำสิ พอไปทานั่นแหละถึงได้ติดเพ่งรู้เล่นๆไปเช่นเรามาคุยกับเพื่อนเพืงง่อนยั่โมโหโมโหขึ้นมารู้ว่าโมโหอะไรเงี้ยดีใจรู้ว่าดีใจเสียใจรู้ว่าเสียใจรู้ๆๆเล่นๆไปลืมคําว่าปฏิบัติซะ อ, อ้าวต่อไปเหลืออีกสามคนแล้วก็มาเบิกเก้าเนี้นะการนมัสการหลวงพ่อนะคะคือเดือนที่แล้วเพิ่งได้ผ่านเหตุการณ์คือเพิ่งเสียญาติผู้ใหญ่แล้วก็ในขณะที่เขาใกล้เสียเนี่ย คือตลอดเวลาที่อยู่โรงพยาบาลเราก็จะไปเฝ้าแล้วก็พยายามสวดมนต์แต่ที่มีอยู่ครั้งเดียวที่เข า, เ, าเต็มใจฟังเสียงสวดมนต์ของเราแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอใกล้ๆวันแล้วเนี่ยเขาไม่รับคือตัวเองก็พยายามดูว่าเขารู้สึกว่าเขาทุกข์ไหมในขณะน mm ั hmm. ้นแต่ก็ศึกษาตัวเองก็ใช้วิธีศึกษาจากจากตัวตัวผู้ที่กําลังจะตายนะคร mm hmm. แ, แต่พอเมื่อนั้นนาฬิกาที่เขาตายเนี่ยเรารู้สึกว่าเรานิ่งเราไม่ได้เสียใจเหมือนที่เราควรจะเสียใจเออดีแล้ว อยากถามหลวงพ่อว่าคือเขาเสียก่อนวันน้าวันเกิดเขาวันที่19บเะค่ะแล้วก็พอเที่ยงคืนก็เสียแต่ก่อนวันที่19ก็บอกว่าที่บ้านจะไปทําสังฆทานให้แล้วพอเสร็จแล้วก็มาบอกว่าให้อนุโมทนาบุญอย่างอี้เขาจะได้รับไหมคะแล้วพอหลังจากพอเขาทราบว่าเขาเขาก็ไปอย่าไปกังวลถึงเขานะเขาก็ต้องไปตามทางของเขาเราก็ต้องอยู่ของเราให้ได้อย่างจิตของเรามีความเศร้าหมองเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้ยเราก็รู้ทัน ถ้าเราจิตเราเศร้าหมองแล้วเราก็คิดถึงเขาเนี่ยเราก็ส่งพลังของความเศร้าหมองไปให้เขานะไม่ดีเฉะนั้นเรารู้เนื้อรู้ตัวนะจิตใจเรามีความรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาจิตเราเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็นึกถึงเขาขอให้เขาได้รับส่วนบุญแบบนี้นะเป็นนึกอย่างนี้นะอย่าไปกงังวลว่าเขาจะรับได้ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วถ้าอย่างเวลาเวลาทำสัพท์หรืออย่างเวลาไปทำบุญหรือทําสังฆทานหรือทําไปถือศีลเนี่ย อ น, อนุโมทนาบุญส่วนหนึ่งให้นี่ได้รับไหมคะเราได้อุทิศส่วนบุญให้เขาส่วนจะรับหรือไม่รับเป็นเรื่องของเขาล่ะมีหลายเงื่อนไขามากเลยอันแรกเลยถ้าเขาอยู่ในภพภูมิในคติซึ่งไม่รับส่วนบุญใช่ไหมอุทิศไปเขาก็ไม่ได้รับยกตัวอย่างอย่างเขาไปเกิดเป็นเทวดาเราอุทิศส่วนบุญให้เขาไม่ได้รับหรอกเขาเกิดเป็นมนุษย์เราอุทิศส่วนบุญให้เขาก็ไม่ได้รับ ก็ไปตกนรกอยู่หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่นะเขาก็ไม่ได้รับเพราะเขาไม่รู้นะั้นถ้าเขาไปเป็นเปรตบางอย่างเทะนะ่านั้นที่จะรับได้ดังนั้นการอุทิศ ส, ส่วนบุญเนี่ยนะเราทําไปเพื่อความสบายใจทําหน้าที่ของเราเท่านะั้นะเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับมันอยู่ที่ตัวเขาเองอย่างเราอุทิศ ส, ส่วนบุญให้คนเป็นเป็นเนี้ยเป็นไปไม่ได้เราต้องไปบอกให้เขาอนุโมทนาบุญของเขาจะเกิดขึ้นเองจากการอนุโมทนาไม่ใช่จากการที่เราอุทิศให้ แต่การที่เราคอยอุที่ส่วนบุญเสมอๆนั้นเป็นบุญของเราเองนะเราทําเพื่อตัวเราเองเป็นหลักใช่ไหมหลวงพ่อแล้วทาไมในขณะที่คนที่ใกล้จะตายเนี่ยแล้วเราบอกให้เขาบอกคือเป็นคุณอาแล้วก็บอกให้พุทโธให้นึกถึงพุทโธเขาเขาเหมือนเขารับไม่ได้ต้องฝึกไว้ถ้าแต่ยังไม่เจ็บไม่ตายเหมือนคนตกน้ําแล้วเราไปบอกพิธีไหว้น้ําให้มันก็ไหว้ไม่เป็นฉะนั้นเราต้องฝึกตั้งแต่เรายังแข็งแรงอยู่เป็นบทเรียนละเห็นไหม พอแก่ขึ้นมาจริงๆจะตายขึ้นมาจริงๆช่วยตัวเองไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกเอาไว้วเราฝึกเอาไว้เราอย่าไปทำผิดซ้ำซากอ้าวต่อไปได้อีก2คนเร็วเบอร์9อยู่ไหน9กับ79ยก้งไว้ข้างหน้าโสงมาข้างหน้าอ้าว่าไปกรรสกักการะหงพ่อครับผมเพิ่งมาครั้งแรกครับแล้วก็แต่ก็ได้ฟังซีดีของพ่อบ้างครับไม่ทราบว่าที่ผมปฏิบัติอยู่เนี่ยปฏิบัติถูกต้องแล้ว ย, ยังปฏิบัติถูกนะ แต่ว่ารู้เล่นๆนะรู้สบายสบายรู้บ่อยๆครับไม่ต้องรู้ตลอดเวลาไปฝึกเราขอบคุณครับการนมัสการครับมาส่งการปตัิจริงหรือตัวปลอมนี่ลูกศิษย์เก่าแล้วคนนี้ยมาส่งผลการปฏิบัติครับแล้วก็อยากจะรายงานว่าเห็นตัวรู้มันมีอยู่สองอย่างอันนึงคือเหมือนกับรู้แต่ว่ายังไปติดอยู่กล่ออกมารู้อีกทีหนึ่งแล้วก็มีอยู่บางครั้งที่เห็นเหมือนกับว่าจิตมันไปดิ้นรนเพื่อจะไป ไปรู้อะไรบางอย่างออกอ <Okay. S 2> ที่คุณภาวนาอยู่ใช้ได้แล้วนะภาวนาได้ดีแล้วไปฝึกต่อ <Okay. S 2> ถูกต้องเป๊ะๆ เ, เลยเห็นไหมเราไม่ได้เลือกว่าจะให้เป็นแบบไหนแต่เขาเป็นแบบไหนเราก็รู้รู้ไปเ ร, เรื่อยเราก็เห็นว่าทุกแบบมันก็ช่วคราวนะเห็นไหมว่าทุกอย่างช่วคราวเห็นไหมคุณฝึกไปนะจิตของคุณมีแรงและจิตของคุณตั้งมั่นรู้ตื่นขึ้นมนะฝึกไปเรื่อยแต่ว่าของเก่ามันติดเพ่งระวังการเพ่งไว ถ้ารู้ไปตามธรรมชาติธรรมดานะก็คงได้ธรรมะบ้างแหละชาติเนี้ยฝนะึกเอาเอาเชิญโยมกลับบ้าน๋ยวงพ่อมีเวลาคุยกับพระนิดนิดหน่อยๆนะต้องไปปว ด, ดปาติโมกข์แล้ว